ไม่อาจอย่างถึงด้วยประสบการณ์ทางอินทรีย์ห้าเป็นเรื่องนอกเหนือจากประสบการณ์ที่เนื่องด้วยขันห้าทั้งหมดอนุปาที่เสสนิพานคือนิพานตามความหมายของนิพานเองแท้ๆล้วนไม่เกี่ยวข้องกับขันห้าสอุปาที่เสสนิพานคือนิพานตามความหมายในทางปฏิบัติ เมื่อสัมพันธ์กับการดําเนินชีวิตประจําวันพูดอีกอย่างหนึ่งว่าอนุปาทิเศ ส, สนิพานคือนิพานในความหมายที่พระอรหันต์มีนิพานเป็นอารมณ์สอุปาทิเศ ส, สนิพานคือนิพานในความหมายที่พระอรหันต์มีขันห้าเป็นอารมณ์ ที่กล่าวว่าอนุปาที่เสสนิพานหมายถึงภาวะของนิพานเองแท้ๆล้วนๆนั้นต้องกับมติของพระอัฏฐกถาจารย์ในคำพีปรมัตถทธธีปณีซึ่งอธิบายว่าอมะตะมหานิพพานธาตุเรียกว่าอนุปาที่เสสาตรงกับภาวะที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่ามีอยู่นณภิกษุทั้งหลาย อายตนะที่ไม่มีปัทวีไม่มีอาโปไม่มีเตโชไม่มีวาโย ο, ไม่มีอากาสานัญจายตนะนอกจากนั้นอธากถาดีกาบางแห่งอธิบายความหมายบ้างใช้ถ้อยคำบ้างอันแสดงให้เห็นว่าอนุปาที่เสสนิ พ, พานตรงกับอนุปาทาปรินิ พ, พานซึ่งหมายถึงภาวะของนิ พ, พาน ที่เป็นจุดหมายในการปฏิบัติธรรมหรือเป็นที่บรรลุสูงสุดในพระพุทธศาสนาเป็นอันสนับสนุนคำอธิบายที่ได้แสดงมาแล้วในเรื่องนี้อธิกถาว่าอนุปาทาปรินิพานเท่ากับอปัจจะยาปรินิพานคือนิพานที่เป็นภาวะอสังกตตธาต และในดีกาอ้างว่าอปัจจะยาปริณิพานเท่ากับอนุปาทิเศสะปริณิพาน์จึงรวมความเท่ากับพูดว่าอนุปาทิเศสปริณิพานเท่ากับอนุปาทาปริณิพานและเท่ากับภาวะนิพานที่เป็นอสังกตาาธาตุคือนิพานตามความหมายของภาวะนิพานเองแท้ๆล้วน ดังได้อธิบายแล้วข้างต้นอัธกถาสองแห่งใช้คำอนุปาธาปริณิพานแทนคำว่าอนุปาิเศ ส, สปริณิพานอนุปาธาปริณิพานนี้เป็นชื่อของนิพานอีกคำหนึ่งซึ่งน่าสนใจมากเป็นคำเดียวโดดไม่ใช้คู่กับใครมาในบาลีหลายแห่ง และมักใช้คําแสดงจุดหมายของพระพุทธศาสนาเช่นภิกษุเราแสดงธรรมมีอนุปาทาปรินิพานเป็นประโยชน์ที่หมายการประพฤติพระมรรย์อยู่กับพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เพื่ออนุปาทาปริญิพานตามปกติอัตถกาถาจะอธิบายว่าอนุปาทาปรินิพาน ได้แก่อปัจจะยาปาริณิพานคือภาวะแห่งนิพานที่เป็นอสังขต า, าธาตุซึ่งไม่มีเชื้อคือปัจใจปรุงแต่งเป็นภาวะที่บรรลุได้แม้ในระหว่างมีชีวิตอยู่แต่ก็มีอาจารย์อยู่พวกหนึ่งที่เห็นว่าอนุปาทาปริณิพานแปลว่าปารินิพานโดยไม่ยึดมั่นคือไม่มีอุปาทาน จึงหมายถึงอรหัตผลแต่มตินี้พระอัตถกถาจารย์ไม่ยอมรับอันหนึ่งมีข้อสังเกตที่น่าสนใจอย่างยิ่งว่าคำภีวิมุตติมรรค ร, รจนาดดวยพระอุปติสสะก่อนพระพุทธโคสาจารย์รจนาวิสุทธิมรรคฉบับปลาภาษาอังกฤษซึ่งแปลต่อจากภาษาจีนนาสองอธิบายว่า นิสรณะวิมุตติได้แก่อนุปาที่เสสนิพานนับว่าเป็นมติที่เข้ากันได้กับความที่กล่าวในที่นี้ดูเรื่องวิมุตติหรือวิมุติที่จะกล่าวต่อไปอันหนึ่งตามปกติกระบวนการรับรู้ทางอินทรีย์ทั้งห้าก็ดีการติดต่อเกี่ยวข้องกับโลกภายนอก และการดําเนินชีวิตประจําวันก็ดีย่อมสิ้นสุดลงอย่างแน่นอนและเด่นชัดเมื่อบุคคลสิ้นชีวิตดังนั้นเมื่อพระอาหารหันต์สิ้นชีวิตเมื่อการรับรู้ทางอินทรีย์ห้าระงับสิ้นเชิงแล้วนิพพานธาตุที่ท่านประสบย่อมมีแต่เพียงอย่างเดียวคืออนุปาทิเศ ส, สนิพานในภาษาสามัญหรือถ้อยคําที่ใช้ทั่วไป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 ที่พระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์สิ้นชีวิตเป็นพื้นส่วนคำว่าสอุปาที่เสสนิ พ, พานไม่อาจใช้เป็นคำบรรยายเหตุการได้และไม่จำเป็นต้องใช้เพราะมีคำอื่นใช้มากพออยู่แล้วจึงไม่ถูกกล่าวถึงหน้าที่อื่นใดในพระตายปิฎกอีกเลย สอุปาที่เสสนิพานและอนุปาที่เสสนิพานที่มาคู่กันเพื่อแสดงการแบ่งประเภทของนิพานอย่างนี้มีที่มาในพระไตรปิฎกเพียงแห่งเดียวตามที่มาซึ่งได้แสดงไว้แล้วนอกนั้นมีแต่สอุปาทีเสสบุคคลและอนุปาที่เสสบุคคลที่จะกล่าวในตอนต่อไปหรือไม่ก็อนุปาที่เสสนิพานที่ใช้เดียวเดียวเพื่อกล่าวถึงการสิ้นชีวิตของพระอรหันต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 เราขัดต่อภาษาในคำพีอันหนึ่งตามคำอธิบายในปรมัตธรรมชุสาแสดงว่าระหว่างดำรงชีวิตมีกรณีที่พระอระหรันต์เสมือนบรรลุอ น, อนุปาที่เสสนิ พ, พานอย่างเวลาสิ้นชีวิตในเมื่อเข้าสัญญาเวทายตะนิโรธที่เรียกกันง่ายๆว่านิโร ธ, ธาสมาบัติ คือผู้อยู่ในนิโรธาสมาบัติมีภาวะภายนอกเกือบไม่ต่างจากคนตายในพระไตรปิฎกมีข้อความหลายแห่งกล่าวถึงเฉพาะอนุปาทิเศ ส, สนิพานธาตุอย่างเดียวเช่นพุทธพจน์แสดงพระธรรมวินัยว่ามีความอัศจรรย์เหมือนดังมหาสมุทแปดประการข้อที่ห้าว่า แม้ภิกษุจํานวนมากมายจะปรินิพานด้วยอนุปาทิเศ ส, สนิพานธาตุนิพานธาตุจะปรากฏว่าพร่องหรือเต็มเพราะเหตุนั้นก็หาไม่ได้เปรียบได้กับสายฝนที่หลั่งลงมาจากฟากฟ้าสู่ท้องมหาสมุทรจะทําให้มหาสมุทรปรากฏเป็นพร่องหรือเต็มไปเพราะเหตุนั้นก็หาไม่ได้ในคัมภีร์มหานิเทศเรียกภาวะเช่นนี้ว่า อนนพิณิพัติสามัคคีความพร้อมเพรี่ยงกันไม่แสดงตนในภพหรือแปลง่ายๆว่าความพร้อมใจกันไม่เกิดบาลีแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติก็กล่าวถึงอนุปาทิเสสนิพ น, นธาตุหลายแห่งแต่ละแห่งส่อแสดงว่าหมายถึงการป ร, รินิพานเมื่อสิ้นพระชนชีพทั้งนั้น ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าราชวีวันของพระองค์ผุดผ่องเป็นพิเศษในสองคราวคือในราตรีที่ตรัสรู้อนุตรารสัมมาสัมโพธิญาณและในราตรีที่ทรงปารินิพันธ์ด้วยอนุปาทิเสสนิพา น, นธาตบินทบาต ท, ที่ถวายแด่พระองค์มีอยู่สองคราวที่มีผลมากมีอนิสงส์มากยิ่งกว่าบินทบาทครั้งอื่นๆ คือบินทบาทที่พระองค์เสวยแล้วตรัสรูอนุตระสัมมาสัมโพธิญาณและที่เสวยแล้วทรงปรินิพานด้วยอนุปาทิเสสนิพา น, นธาตุตัวอย่างอื่นอีกเช่นสถานที่พระตถาคตปรินิพานด้วยอนุปาทิเศ ส, สนิพา น, นธาตุเป็นสังเวชนียสถานในสี่แห่งการที่พระตถาคต ปรินิพานด้วยอนุปาทิเศ ส, สนิพานธาตุเป็นเหตุปัจจัยอย่างหนึ่งแห่งแผ่นดินไว้ครั้งใหญ่และอีกแห่งหนึ่งตรัสแสดงเหตุที่พระองค์ได้พระนามว่าตถาคตว่าเพราะพระดำรัตทั้งปวงที่ตรัสในเวลาระหว่างตั้งแต่ตรัสรู้อนุตตราสาัมมาสัมโพธิญาณจนถึงราตรีที่ทรงปรินิพานด้วยอนุปาทิเสสนิพานธาตุล้วนคงตัวอย่างนั้น ไม่ผันแปรเป็นอย่างอื่น